ฟังตามต่อไมู่้ฟังไม่ผู้พูดฟังแล้วออกไปทาปฏิบัติตามธรรมสิ่งใดไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเจอเราก็ให้ปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรม ในตัวเรานอกตัวเราต่อที่แสดงออกทางกายให้เกิดความเป็นธรรมก็แสดงออกต่อที่จะใช้คำพูดให้เกิดความเป็นธรรมก็พูดออกไปต่อที่จะคิดให้เกิดความเป็นธรรมก็คิดให้มันเป็นสิ่งประดับชีวิตจิตใจของเราแต่ ล, ลยอย่าง สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในความถูกต้องมีชีนต้องรวมไว้ไม่ควรคิดไม่ควรพูดไม่ควรดูไม่ควรเห็นอะไรก็สํารวมลวงไว้ขณะที่ต้อเป็นต้องพูดต้องคิดต้องดูต้องเห็นก็มีสติ ตุกต้นสนตนยิ่งเรามอาเจริญสติเป็นวิชากรรมฐานยิ่งชัดเจนแม่นยำทียิบวิชากรรมฐานมีสติไปในกายอยู่เป็นประจอมตายมันก็มีตติมันก็มีเอามาประกอบกันเข้าไม่ได้สร้างไม่ได้หา ตามลงไปเลยอะไรที่มันจะรู้ไปในกายหลายอย่างหลายใจก็รู้ได้เอื้านลอยก็รู้ได้พิบตาก็รู้ได้ยิ่งลามาเคื่อนน่วเป็นชัมปัญญาบัพเะรู้สึกตัวสัมผัสกับความรู้จริงจริงยิ่งชัดเกณฑต่วนมาก ถ้าเป็นของที่ไม่ตรงก็ตรง ด, ดัดให้มันรูยกมือช่างสังว่าผู่เขนเข้าหเหยียดขนออกเตรียมพร้อมเพจะได้ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ทรมที่มันจะเกิดขึ้นกับปากับใจเราเนีความเตรียมพร้อมทันทีทันทีเด็ดขาด สติเด็ดขาดกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นจากตายกับใจเราตื่ยนร้อยเป็นดีแล้วก็มีคุณมีค่ามีประโยชน์ได้บทเรียนมากมายวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่แน่นหนาเพียงพอเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาตนเอง ถ้าเกิดความเป็นธรรมอย่าให้มีอะไรมาขวางกั้นสติได้ให้มีแต่สติเท่านั้นที่เป็นใหญ่คลองกายคลองใจแต่ก่อนนี้อะไรเป็นใหญ่ในชีวิตเรา ความหลงเป็นใหญ่ความทุกข์ความลิกความชางังความสุขความอะไรต่างๆเป็นใหญ่หัวใจไม่พอใจเป็นใหญ่ทุม่มร้ยทุ่มดีบัดนี้สติเป็นใหญ่ใจสุติปกครองกายใจให้ปลอดภยัยจะให้มีอะไรมาขวางกั้นได้ ความง่วงหอาจมยอนความลังเล่สงสัยความคิดฝร่งสา่นความละค่าปฏิฆะมาน้าทิพธิสำคัญอะไรที่เป็นตัวเป็นตเนเต็มไปหมดจะให้มีมีแตสติเข้าไปเห็นเข้าไปดูภาศาละไรความห ล, มลงความโกรธความโลภ ค, ค, ค, ความทุกข์ มันไม่ได้เป็นแก่นสารชละอะไรเราหลงมันเฉยอสแสดงธรรมมันรับใช้มันรับใช้ความหลงรับใช้ความโกรธรับใช้ความทุกข์เสียผู้เสียคนเสียกายเสียใจมาบากแล้วไม่จริงต้องมีสติดูแลให้ปกติ ที่อยู่ของกายคือปกติที่อยู่ของจิตคือปกติคือปฏิบัติธรรมนั้นเจ็บก็ปฏิบัติธรรมมันจะตายก็ปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรขวางกันได้เวลากินข้าวก็ปฏิบัติธรรมเวลาทำงานก็ปฏิบัติธรรมทาอะไรเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมด ตามความดีตัวเองเห็นตัวเองคนเดียวความดีความชั่วเราก็เห็นมันคนเดียวไม่เถือดถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆยิ่งเรามีธรรมะวินยัยเป็นนักบวชยิ่งดีใหญ่ ทำไมไหนช่วยเราเยอะแยะการพูดการคิดการทำเป็นร่วไว้แล้วขวงไว้แล้วรอบเราไวแล้วการใช้ชีวิตของสงฆ์ของสังฆะกระดกวกกัวญาติกวัวโยงไม่ทำไม่ไหนเป็นที่อาศัย เป็นสิ่งที่ประดับให้กายใจได้งดงามเม่มีทำไะไหนก็ไม่มัมกมีผลมันไม่ใช่เรื่องยากงอปาา๋าใส่เหล่างามอยู่คนเดียวได้นั่งอยู่ในกะติดได้ยกปืสร้างจังว่ารู้สึกระลึกได้ ได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้มันเป็นการเป็นงานของพระพระทํางานแบบนี้งานของพระงานของผมรมจัดในบริสุทธิ์ความหลงจกปกความโกรธความคิดความผงสานจาปกปุกได้ทําให้เกิดความบริสุทธิ์รู้สืบตัวกันไปได้รักษากายรักษาใจ ถ้างกายล่างใจสะอาดด้วยศีลด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาสวนงามอย่างที่อาจจะยกมาไหวโด่อะไรก็งามก็ชีวิตประดบับงามอยู่คนเดียวงามในดวงในป่าหรืผม่าจารย์เคยทไมเปิดเพื่อนกับสิ่งได้ เปิดเพื่อนกับความโลภไม่เปิดเพื่อนกับความทุกข์ไม่เปิเปิดเพื่อนแต่ความสุขไมเปิดเพื่อนกับความรัมกความชันจิตระนั่นเป็นของเปิดเพื่อนเบืออ่อหน่ายวิลาข้จางคายออกมาคนที่ได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์ผุดป่องทางชีวิตจิตวิญญาณมันไม่ยอมเปิดเพื่อนง่าย ม่ยอมทุกม่ยอมสุกม่ยอมเก็บม่ยอมปวดไม่ยอมเป็นอะไรเพิ่มบริสุทธิ์สุดพงคือมันไมเป็นอะไรบริสุทธิ์อยู่เสมออยากให้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเอาขวางกั้นได้ชีวิตเป็นอิสระหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเจ็ดวันสิบวัน เตือนเจ็ดปนะีต้องเปลี่ยนแปลงได้อยูในส้นอยู่ในกาะอยู่ในชีวิตของผู้ประติ ธ, ธรรมศาสการศาสใจมีงานมีการอยู่ชีวิตของเราเน ห้มันเสร็จซะถ้ามันไม่เสร็จมันก็เป็นภพเป็นชาติเป็นภพเป็นภูมิเวียนว่ายอยู่ในความหลงเวียนว่ายในความทุกข์เป็นว่ายู่ในความสุขเวียนว่ายในความพอใจไม่พอใจความลักความชังความโกรธกเลสตัณหาหลาาักะรับใช้สิ่งเหล่านี้อกอุ่นคุณคิด ให้มันขึ้นซากไปควอมหลงเัินหจาบเห็นโกนอะไรนี่มีสติก็เห็นความหลงเกิดขึ้นมาหลายหลายทางสติก็เป็นหน้ารอบใช้ได้ทั้งหมดไม่ได้หันหน้าหันหลังนังตรงๆหลุ่มหลอลอ เะทานไหนเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมสติรู้หมดจะขึ้นไปนอกไปในสติรู้หมดอ่าได้เทอเห็นความหลงก็เป็นทางแไประยะกระทบความโกรธความโลภความทุกข์ตื่น ง, ง่าย ก็ไปอีกสุดงไงปลายทางอันหลงเนีเอาขุศลนี่หยับจับเมื่อสี ด, ดําในทุกข์ก็หยาบอันหลงในสุขเมื่ละเอียดเข้าไปปานกลางต้องมีสมาธิ ที่พอที่จะเปรียบเทียบกับความหลงในความสุขคือมั่นใจต่อไปจะหลงในขันห่ามันละเอียดขวัาอุปทานขันตั้งหน้าเป็นตัวทุกข์ลูกในเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละ ก, กอง ก็มีความหลงเป็นความหลงได้ถ้าไม่มีสติถึงกับมิปัจฉนาญานอัปปนาสมาธิที่เข้มแข่งญายจังลู่ยาณขนส่งดูแลลวขนส่ง ยานอย่างลู้ถ้าไม่ขนส่งก็กลายเป็นก็อาจจะเสื่อมเลยยานอย่างลู้ยานขนส่งลู่แล้วหลุดพ้นรู้แล้วไม่เป็นยามสุขก็ลู้ไม่สุขขนส่งลู่ว่าสุขลู่ว่าทุกข์เฉยยังแค่ว่าต้องขนส่งให้พ้นไป แต่ละกองเป็นลูกเป็นเวทนาสัญญาสังขารปัญญาหมางถึงตัวปัญญาที่เขาไปเห็นไม่ได้สร้างจังหวะก ต, ติที่งอกงามเต็มที่ไปคมเข้าไปลูกลูก จุดหมายปลาทางของภพของชาติมันก่อตัวภพชาติเกิดขึ้นที่อุปทานและขันห้าเห็นรูป mm. เห็นเวทนาที่เขาทำงานรูปก็ขยันให้รูปเวทนาก็ขยันแข่งขันกันกันกบรูป สัญญาก็ขยันสังขารก็ขยันวิญญาณก็ขยันต่างกองต่างขยันหาพบธรมชาติม <c oughs> <c oughs> ีพบชาติในขันหน้าติดอะไรมาสังขาร ขยันเรื่องอะไรมาติดอะไรมาส่งผลให้ซึ่งกันแลการดูโก้ส่งผลให้เวทนาเวทนาส่งผลให้สัญญาสัญญาส่งผลให้สังขารสังขารส่งผลให้วิญญาณติดเป็นพบเป็นชาติชะลาโมลณะเกิดดับเกิดดับเลขันห้า มีสติมียาอนมีวิปัสสนารู้แจ้งตามความเป็นจริงเคยพูดเคยพูดข้างหนึ่งว่าแล้วก็คนห้าคนทำงานอันหน้าใสกันมีเครื่องมือแล้วก็แล้วก็ดา้ยา หน้าใส่กันมีจอบดา้ยาโดนกันทำอยู่เท่านั้นไม่หยุดไม่ย่อนหรือทำอะไรที่มันเป็นพวกเป็นภูนต่างคนต่างเชียบบ้างก็จอบกดปากหน้าเชียมาหาตัวเองใครก็มีกำลังมีอุปกรณ์ รูปก็เป็นอุปกรณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็ น, ปนการเขี่ยมาหาตัวเองแบบนี้เรามีสติตัวเห็นนี่ตัวเข้าไปเห็นไปดูนะมันไม่จริงมัน หยุดขันหน้าก็เป็นขันลุน่นล้วนเทุกลูกก็เป็นลูกลุ่นล้ว น, วนเวทนาก็เป็นเวทนารุนนล้ว น, วนสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเป็นของเก่าเก่าคืนมาไม่ไม่ให้ไปทำไม่ได้ไปทําแบบนั้นหยุดลงเป็นขันธรรมดาไม่มีขันอุปทานไม่เป็นลูกไม่แม้ เป็นแต่เพียงมหาภูตารูปเป็นรูปอาศัยของชีวิตที่ทำความดีอาศัยขันธ์ห้าเป็นการทำความดีได้ประโยชน์จากขันธ์ห้ารูปของก็มีอะไรบอกๆที่มีอันตรายไม่เป็นอุปทายรูป <c oughs> เอมหาภูต่าูปเป็นปปรูกป้าใจให้ทําความดีให้ลักความชั่วให้ป้องกันให้เกิดความปลอดภยัยเอชามีไว้เพื่อกันรักษาความปลอดภัยของชีวิตที่ไม่เป็นตอลไรเมื่อได้เป็นภพเปัญชาติอยู่ในลูกไม่ได้เป็นภพเปัญชาติอยู่ในเวทนาไม่ได้เป็นภพเปัญชาติอยู่ในสัญญาไม่ได้เป็นภพเปัญชาติอยู่ในสังขาร ม่ไดเป็พบปัญชาติอยในวิญญาณไม่มีภพเป็นชาติอยู่นั่นได้วางมหาภูตารู ป, ปรูปอาศัยไม่มีอุปทาจะรูปเป็นรูปที่เราไม่เกิดพบเกิดชาติกลับเกินสู่จักภาพเขินสู่จักภาพ ทั้งหมดต่างก็วางงานหลวงลู ก, ลกเป็นทุกข์ลูกเป็นเนทุกข์เวทนามแต่ก่อนเวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์แตนน่นี้เปลี่ยนกับธรรมะ นามือเป็นหลังมือรูปไม่เป็นทุกไปธนานไม่เป็นทุกสัญญาไม่เป็นทุกสังขารไม่เป็นทุกวิญญาณไม่เป็นทุกเหมือนเอาหลังมือจับสิ่งของอจับไม่ได้มันจับไปได้ไม่ใช่หน้ามือจับไปธนารูปเป็นทุกเป็นหน้ามือไปจับ ในฐานะเป็นทุกขมันเอาหน้ามือไปจับพอมันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงได้ได้สัจจะได้ความเป็นจริงมันมีอุปถาอยูลูก <c oughs> <c oughs> เป็นมหาพุทธลูกล้วนเป็นหลังมือไปแตะกับสิ่งของและจับอะไรสุขมันก็มันมันไม่ได้สุกมันเป็นนเป็นอาการเกิดขึ้น ธรรมราไม่มีรสไมชาติทุกทุกก็ไม่มีรสไมชาติมันจึงมันจึงว่ารูปไม่เป็นทุกเวทานาไม่เป็นทุกสังขารไม่เป็นทุกอิญญาไม่เป็นทุกเพราะมันไม่มีอะไรจรึงเหนือการเกิดแก่แกตายในขันห้าจึงแตุ่ัวทา น, นาขัน เป็นด้านสุดท้ายเกิดตายพระตรงนี้เกิดเจ็จะตายผู้ในกองขันห้าี้เป็นตัวเป็นตนเราก็บุกเบิกไปตั้งแต่ที่แรกเห็นกายจักว่ากายเห็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตก็สักว่าจิตเห็นธรรมสักว่าธรรม เรต้นท่ามกลางและที่สุดมันไปโน่นงานมันไปโน่นเราทำที่นี่แต่งานไปโน่นแล้นก็เราก่อสร้างหูสังฆะวันกรรมกรของสังฆะหูสงฆ์วัดป่าจุกโตอันแรกก็เป็นหินเป็นปูนเป็นทราย เดี๋ยวนี้เ่าทำอะไรเกิดขึ้นมันก็ไปโน่นไปเป็นแท่งน้ำขนาดใหญ่ลองรับหน้าผุนได้เราทำตอนนี้แต่มันไปโน่นงานมันไปเหมือนงานวัดป่าจโตกงานวันผ่านไปแล้วแต่เราทำนี่งานมันมไปข้างหน้าแล้วเราก็เลยสะดวก งานไปแล้วเวลากินก็มีอาหารกินเวลานอนก็มีที่นอนเวลาอะไรก็มีให้เกิดความสะดวกแก่การใช้ชีวิตก็อยู่ร่วมกันทำก็เกิดความสะดวกแก่การใช้ชีวิตที่ไม่เป็นอะไรงานเปนไปแล้วถึงเขาเจ็บก็ไม่เก็บไม่เป็นผู้เก็บถึงเขาแก่ก็ไม่เป็นผู้แกทถึงเขาตายก็ไม่เป็นตายมันไปแล้ว ถ้าเราทำถูกมันไปแล้วหลัเราเหยียบเช่นทางได้ทางทางก็ไปสู่จุดหมายปลายทางนีสติก็เป็นความเห็นชอบม <c oughs> ีสติก็ดำดิชอบมีสติก็โคจรชอบไปเองมีสตกิก็การงานชอบ มีสติก็เลี่องชีวิตชอบมีสติก็ความเพียรชอบขจัดทำความดีมีสติก็สติก็เป็นกุบเดียวมัก็เลือกกุบเดียวเป็นสติชอบ ม, มีสติก็มีสมาธิชอบ ถึงกับปัญญากรรจัดความชั่วออกจากชีวิตทั้งหมดคืองานกรรมฐานที่เราทาอยู่นี่อย่าให้มีอะไรมาขวางกั้นได้บุกเปิกที่ได้ก็ลงแรงสักหน่อยงานทางห่วงมองเอาหอนอนอย่าให้มันขวางกั้นได้ทำละเลยสงสัยก็จะให้มันขวางกั้นได้ อย่างพิจารณาก็จะให้มันขวงกันได้อย่ามรรค่าปฏิฆะมานาทิฏฐิอะ่างมันขวงกันได้มีสติเข้าไปผ่านได้ตลอดถ้ามีสติอาศัยกรรมฐ า, านรูปแบบถ้ามีน้ำหนักเข้าไปางั้นสติมันคม แต่มมนมีน้ำหนักก็ตัดอะไรไม่ขาดอาศัยน้ำหนักคือสมาธิสติท่าไมคมเป็นศีลมีสติก็รัความเชื่อมีสติก็ําความดีมีสติกิจก็บริสุทธิ์นี่เราเมก ร, รมาฐานกายานปัจจณาหลักใจนานปัจจณาในสุกในกทุก ไม่มีไั่มีละข่ายเกื่องใ้ความคิดก็เมืม่ละข่ายเกื่องในตัวสติไม่มีตัวมีตนในความสุขความทุกข์ไม่มีตัวมีตนในอาการต่างๆที่มาเกิดเกิดปากับใจ ไม่มีตัวในตนไม่เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นอะไรกับเราในสิ่งที่มันเกิดกับปากับใจรวบเรบียกว่าตีรวบสลัร ว, รวบรวมรวบรวมกำลังคนปราปชตูนะ ไม่เป็นอะไรไปกับกายไม่เป็นอะไรไปกับเวทนาไม่เป็นอะไรไปกับความคิดไม่เป็นอะไรไปกับธรรมที่มันเกิดขึ้นธรรมที่เป็นกุศลอกุศลไม่เป็นไปกับสิ่งเหล่านั้นหรือว่ารวบรวมเอารวบรวมรวมอยู่ในอำนาจรวบอำนาจของ รับสิอยู่ในกลองจับได้กายก็ไม่เป็นอะไรกายสวะกายจับได้แล้วเวทหาสัวาวะเวทนาจับได้แล้วไม่เป็นอะไรจิตก็สภาสวะจิตธรรมสภาวะธรรมบุกเบิกไปแล้ว แต่ก่อนมันแยกมันแยกมันก็ชจวยกันจอยพอมันรวบรวมได้รวมรวมลงสิ่งที่มันรวมก็เหมือนกับเรื่องวัวฝุ่นเรื่องวัวฝุ่น หลายตัวแต่ถ้าเราต้อนเรารวบรวมเราต้อนเข้าเรื่งเข้าข้อสอนมันก็เข้าไปเรื่องไม่ต้องไล่หมดทุกตัวตัวเดียวก็ไปได้แต่ว่าจ่าจ่าผุหัวหน้า จะมีความเป็นใหญ่ในความเป็ญ่เชื่อฟังหัวหน้าสติที่เป็นพิปัชนายาณเป็นหัวหน้าของชีวิตจะนอนก็อยู่นี่จะนั่งก็อยู่นี่ไม่ได้หลงไปไหนไม่ได้ฟุง้งซ้านไม่ได้หมุกมุ่นที่ใดอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเป็นหัวหน้า กายเป็นหัวหน้าเวทนาเป็นหัวหน้าจิตเป็นหัวหน้าธรรมเป็นใหญ่กว่าจะเห็นกายสกว่กาใหญ่กว่ากายเห็นเวทนาสักว่าเวทนาก็ใหญ่กว่าเวทนาเห็นจิตสักว่าจิตก็ใหญ่กว่าจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมก็ใหญ่กว่าธรมรมก็คลอง ของตนได้คองทำได้ของงานได้คองศาสนาได้ถ้าเห็นอะไรแล้วก็คองได้ไปเรื่อยไปกิเลดพันห้าตันหาล้วแบบคลองได้คุ้มคลองได้คุ้มคลองได้บกคลองได้บกคลองชีวิตได้ได้ชีวิตขึ้นไปเรื่อย ชีวิตก็คือชีวิตไม่เป็นอะไรชีวิตก็เกิดต้องงามขึ้นมาจากไหนว่าแต่เรามีสติเห็นเป็นกระแสไม่เป็นเห็นไม่เป็นเป็นยานทัศนะ์จุดพ้นจากข้อที่เป็นเป็นวิมุตติเป็นวิมุต เห็นเป็นญยาดหลุดพ้นเป็นวิมุตต์จดหมายปลาทางคือวิมุตต์อันฉยานทัศนะอย่างเดียวเหมือนตาที่เห็นก็พ้นจากสิ่งที่เห็นเห็นงูก็พ้นจากงูแต่เห็นทางสติปัญญาเห็นที่เหมือนกับเราเดินผ่านตาข้าวเหงีข้าวเทือ ออกรวงรวงมันสารกันอยู่รวงข้าวมันสานกันอยู่ไม่เป็นช่องเป็นทางแต่เราผ่านป่าข้าวเข้าไปเอามือแหวกพอมือแหวกได้ก็เดินไปมือแหวกได้ทะะันทีก็เดินผ่านไปเอาไว้หลังเอารวงที่เราแหวกไว้ข้างหลังแหวกไปข้างหน้าผ่านไปแหวกไปทันทีก็ผ่านไ ป, ไปะะผ่านไ ป, นไปเอาไว้หลัง เอาไว้ทั้งหลังไม่ให้อยู่ข้างหน้ารยราว่าเห็นไม่เป็นทงไมจะต้องไม่ทำไมจะต้องไม่รู้เพราะแบกไปแล้วไว้หลังแล้วชุกไว้หลังทุกไว้หลังไม่มีอะไรที่จต้องแบกยังไม่เป็นอะไรกับไหลเห็นมาหมดเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับปากับใจเห็นหมดเราว่าสติปัฏฐาน ทำไมจะต้องจะต้องมาโฉอะไรเห็นหมดลกหมดลูกครบลูกท่วนจิงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่ผู้ปฏิบัติก็เห็นเราเองเห็นเราเองไม่ได้นิ่งตั้งสตินี่จะได้บทเรียนเจอแชะจะนุก สนุกฝึกตนสอนตนสนุกสนุกงานทำงานสนุกไล่รู้ไล่รู้ไล่เห็นสิ่งที่ไม่เชื่อมรู้มาหาความรู้ดูดีๆให้แยกคลายให้ชัดเจนให้แม่นยำให้ชัดเจนแม่นย่อำให้อยู่ข้างหลังเราสิ่งทีเราเห็นรู้แล้ว อะไรรู้แล้ ว, ลลวม่ใช่เอ๊ะใจอะเรที่เกิดขึ้นกับปากับใจ น, นี่จะว่าลู้แล้วไม่ได้มีทำใหม่ทาไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้นมาห น, น่าที่จะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่มีคําพูดอย่างนี้อีกแล้ว เหมืนอนคนผ่าต้นข้าวที่ออกรวงก็ไมรวงเข้าจึงมาขวางหน้าเราผ่านไปแล้วน้องผ่านไปแล้วมันก็มีเวทนาก็มีอยู่แต่เวทนาไม่เป็นทุกข์เงินเจ็บก็มีอยู่แต่ความเจ็บไม่เป็นทุกข์สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับขันธรรมชาติเป็นขันรุน่นรุ่น มันเป็นของเขาเป็นธรรมชาติที่เป็นรูปเป็นนามนั้นในการเกิดเจ็เจ็บตายรูปธรรมนามธรรมนี่มาได้เจ็บพวกวามเจ็บรูปนามนี่เกิดึ้นแล้วเจ็เจ็บตาไปรูปน้ําเป็นทุกข์ตนยากในเที่ยงนั่นเป็นของอัน อ, อาการที่ธรรมชาติของรูป การเจ็เ จ, เจตายเป็นเรื่องของลูกแต่เราเห็นหมดแล้วตั้งแต่อายุ23ปีเช่นพลหันทั้งหลายน้อยที่สุดก็มีเขเห็นแล้วบางทีก็78 ป, ปีก็เห็นมางทีชวนจะตายชวนปลดลมหายใจ5นาทีก็ยังมี พระเจ้าโสทนะตอนก็ชืวิก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสะดวกยังเสียใจจังดีใจถ้าอกปวดก็เสียใจเป็นทุกข์เศรโศกนาหุ่นอกปวดก็เสียใจเป็นทุกข์เศรโศกอาโนนอกปวดก็เสียใจเป็นทุกขเศร้าโศก อนุธาออกบวชก็เสียใจวันทุกร้อยงานบ็นทุกเพราะไม่รู้แจ้งตามความจริงจนกว่าว่าห้านาทีสุดท้ายจึงรู้จักความเพรีรความจริงของชีวิตแบบนี้เราอย่าประมาทมีโอกาสเต็มที่แล้ว มีชีวิตอยู่ที่นี่แล้วชีวิตก็อยู่กับเราอยู่แล้วความรู้สึกก็อยู่กับเราอยู่แล้วประดับลงไปนี่เราทําอะไรก็มีสติลงไปสนุกไปกับการงานก็มีสติลงไปอย่าไปหลงไปทําอะไรที่ไม่ใช่สติตกโถนโศนโถนไป ในช่วงปลายมาสสามเดือนนี้ไม่ใช่สิทธิเต็มที่ชกชีวิตแม้เราอยู่ที่นี่มีวันกรรมกรก็เต็มอาติเลศหัดมีสติไปกับการงานความเหน็ดเหนื่อยเหมือ่อยล้าความหนักแบกปูนแบกหิน สู้กับขี้ผุนปูนเห็นนั่งดูพระทำงานก็โหสมขรดเกิดงานบวชมานี้หลายปีไม่เคยเห็นพระทามงานขนาดนี้เราพูดกับพระว่าผมไม่เคยใช่พระจากนี่นะใครใช่หรอว่าอาจารย์ตุ้มใช่เลยไม่ใช่เพราะผมสมัครเอง เป็นความสมัครเองอาสาสมัครเองตั้งเราอาสาสมัครเองก็พูมใจด้วยก็ อ, อย่างนี้ไม่เสื่อมชีวิตยอย่างนี้ไม่เสื่อมการงานชอบเกิดขึ้นเรียงชีวิตชอบเกิดขึ้นความเพียรชอบเกิดขึ้นตั้งสติชอบเกิดขึ้นนักสมที่ชอบเกิดขึ้นอยู่ในกรุ๊ปของ ของทางดําเนินชีวิตของคนเราไหมนอกจากนั้นมีโอกาสตินที่อกติเลกขลาบเกิดขึ้นฉนัฉนเช่าฉันเพื่อจะบมากติวางบาทลงตั้งกายสร้างสติอยู่ที่กติของตัวท้องตนอันนั้นเป็นเอกเลกขลาบของเรามีได้หาง่ายหาได้ง่าย เราเราก็ช่วยกันบัครับปกครองกันไปอย่าให้มีอะไรที่เกิดการทำเกิดขึ้นในหัวคณะการทษกยอดไม่มีการขัดแย้งอะไรไม่มีมีแต่ไม่เป็นารให้ภัยทุกอย่างชีวิตเต็มไปด้วยเมตตากูดาพิตาเปขากับสิ่งต่างกับทุกอย่างกับสิ่งแวดลอมกับผู้คนกับ เหการต่างๆไม่มีแล้วก็มีอยู่กับเราเมตตากรุณาเมิตาเปรียขาเต็มเปี่ยมเป็นวิหรารธรรมของชีวิตเนการถนอมชีวิตชีวิตอยู่ในพระอบถ้าไม่เมตตากรุณาเมตตาเปรียขาเหมือนการถนอมอาหารไม่เสียไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเลยที่มีจิต เต็มไปด้วยมหากรราธิคุณเมตามตากุณาเมตตาเปรคหากับชีวิตเราเระให้ขาดแคลนเรื่องนี้แล้วก็ใช้ชีวิตสะดวกที่สุดมาก็เหินได้ฟังขอเชีย่ยขอเชียเช่ยขอสนับสนุนในงานแบบนี้เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันาปสมควรเสียเวลาวันเองครับพรับขอบคุณ